บทที่สามสิบสี่เมื่อคณะผู้แสวงบุญขึ้นรถกันเรียบร้อยแล้วคนขับก็ออกรถไม่ถึงห้านาทีก็มาจอดที่ริมทางข้างเขาลูกหนึ่งพระเจริญผู้ทำหน้าที่มักคุเทศบอกทางไมโครโฟนว่าข้างซ้ายมือของอาตมาคือคุก อันเป็นที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสารพวกเราไม่ต้องลงเพราะทางไม่สะดวกโดยเฉพาะผู้สูงอายุคงเดินไม่ไหวขนาดอาตมายังไม่จัดอยู่ในผู้สูงอายุก็ยังเดินไม่ไหวเอาเป็นว่าอาตมาพามาถึงที่แล้วแต่เราไม่ลงไปดูและทำไมพระเจ้าอาชาติศัตรูถึงจับพระเจ้าพิมพิสารมาขังคะ มีเสียงถามมาจากผู้ที่นั่งข้างท้ายรถเพราะไปคบกับพวกเทวทัตจึงเป็นคนพาลพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนไม่ให้คบคนพาลให้คบบัณฑิตจึงจะเป็นมงคลแก่ชีวิตพระมะกุเทศตอบดิฉันอยากฟังรายละเอียดค่ะนิมมตหลวงพ่อเล่ารายละเอียดได้ไหมคะหลอนหมายถึงท่านพระครู อาตมาบรรยายมาหลายเรื่องแล้วขอยกเรื่องนี้ให้พระมกุเทพก็แล้วกันถ้าอาตมาบรรยายทุกเรื่องประเดี๋ยวท่านจะตกงานสมภารวัดป่ามะม่วงพูดยาวมกุเทพผู้ซึ่งรีบรับว่าจริงอย่างที่หลวงพ่อพระครูพูดอาตมากลัวตกงานนะโยมแต่ก่อนที่จะบรรยาย อาตมาจะพาไปชมตโปโธทารามก่อนไปดูคนอินเดียเขาอาบน้ำตอนขามาเราผ่านตโปโธทารามแล้วแต่ยังไม่ได้ลงไปดูใกล้ๆส่วนเรื่องพระเจ้าพิมพิสารค่อยบรรยายตอนไปนาลันทาก็แล้วกันพระเจริญบอกญาติโยมจากนั้นจึงบอกคนขับด้วยภาษาฮินดีให้พาไปยังตโปโธทาราม เมื่อไปถึงคณะผู้แสวงบุญได้เห็นคนอาบน้ํากันอยู่เป็นชั้นๆตามลําดับวันณนะพระมาคุเทศจึงอธิบายว่าพวกที่อาบน้ําอยู่ชั้นบนสุดเป็นคนวันณะพราหมณ์ซึ่งถือกันว่าเป็นวันณะสูงสุดในสังคมอันนี้ว่ากันตามาศาสนาของเขาคนอินเดียจะแบ่งเป็นสี่วันณนะจากสูงไปหาต่ําคือพราหมณกษัตริย์แพทย์สูตร ส่วนพวกชนทานซึ่งหมายถึงคนที่พ่อแม่แต่งงานข้ามวันนะกันพวกนี้ถือเป็นพวกนอกวันนะแต่พระพุทธศาสนาเป็นสังคมที่ปราศจากวันนะเมื่อพวกพราหมณ์มาพูดข่มพระพุทธเจ้าว่าพวกตนอยู่ในวันนะสูงกว่าวันนะของพระองค์คือวันนกักษัตริย์พระพุทธเจ้าทรงแก้ความเห็นผิดของพวกพราหมณ์ว่าบุคคลไม่ได้วัดกันด้วยวันณนะ แต่วัดกันด้วยคุณธรรมถ้าวัดกันด้วยวันณนะกระสัตรต้องสูงกว่าพราหมณ์เพราะพวกพราหมณ์ก็ยังต้องให้กรัตรเลี้ยงเพราะฉะนั้นในคำพีพระไตรปิฎกจึงเรียงวันนะต่างจากคำพีพระเวทกล่าวคือเรียงเป็นกระสัตรพราหมณ์แพทย์สูตรดังตัวอย่างพระพุทธวจนะว่าวันณะทั้งสี่เหล่านี้คือกษัตร พรามแพทย์สูตรออกบวชในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแจ้งย่อมละนามและโคตเดิมเสียนับว่าเป็นสมณะสักยบุตรทั้งสิ้นเมื่อใดที่กล่าวถึงวันนะทั้งสี่หากเป็นคัมภีร์พระเวทของพรามจะเรียงเป็นพรามกษัตรแพทย์สูตรแต่ถ้าเป็นคัมภีร์พระไตรปิฎกของพุทธจะเรียงเป็นกษัตรพรามแพทยสูตร ถ้าเช่นนั้นพวกที่กำลังอาบน้ำชั้นถัดลงมาก็เป็นพวกสังกัดว น, นากริสัถัดลงมาเป็นพวกว น, นาแพทย์และพวกที่อาบอยู่ปลายสุดก็เป็นพวกว น, นาสูตรใช่ไหมครับหนุ่มน้อยถามพระมะกุเทศถูกแล้วโยมเห็นไม่ว่าน้ำที่พวกพราหมณ์อาบยังใสสะอาดอยู่พอมาถึงว น, นาสูตรก็ขุนเป็นสีน้ำตาลเลย แต่พวกเขาก็ยอมรับสถานภาพของตนในครั้งพุทธกาลตโปธารามเป็นชื่อของสวนซึ่งอยู่ใกล้กับบ่อน้ําพุร้อนชื่อตโปทาเป็นสถานที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าเคยทํานิมิตโอภาษแก่พระอานนุ์นิมิตโอภาษคืออะไรครับนุ่มน้อยถามคือตรัสข้อความเป็นเชิงเปิดโอกาสให้พระอานนุ์อรัธนา เพื่อดำรงพระชนอยู่ต่อไปแต่พระอนน์ก็ไม่ไดอาราธนาเมื่อพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานพระอนน์ก็เลยถูกสงปรับอาบัติที่ตะโปธารามนี้ใช่ไหมครับที่มีกล่าวไว้ในคัมภีร์วินัยปีดกถึงพระพุทธบัญญัติที่ให้พระภิกษุสงน้ำได้15้าวันต่อครั้งพระทวัตถามถูกแล้วครับ เพราะน้ำในตโปทารามเป็นน้ำร้อนจึงเหมาะที่จะอาบในฤดูหนาวที่ทรงบัญญัติเช่นนั้นเพราะเกิดกรณีขึ้นคือวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารเสด็จมาเพื่อสงน้ำในตโปทารามพบพระภิสุสงน้ำกันอยู่พระองค์ก็ทรงรอให้สงเสร็จเสียก่อนรอจนค่ำและประตูเมืองปิดเข้าเมืองไม่ได้จึงเสด็จไปประทับค้างคืนที่เวรุวณาราม พระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องจึงได้ทรงบัญญัติเป็นสิกขาบทห้ามให้ภิกษุส่งน้ำทุกวันให้สงสิบห้าวันต่อหนึ่งครั้งแบบนี้ก็สกรปรกแย่เลยนะสิจะ๊ะแม่ชีป่วนท่วงขึ้นถ้าหน้าหนาวก็ไม่เท่าไหร่ แต่ถ้าหน้าร้อนคงเอาเรื่องเหมือนกันดังนั้นเมื่อพระองค์ประทับอยู่ที่เมืองโกสัมพีภิกษุสงทูลขออนุญาตส่งน้าทุกวันก็ทรงอนุญาตและถอนสิกขาบทน้เสียสรงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากเลยนะครับเพราะไม่ทรงต้องการให้ภิกษุสงสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้ประชาชนจึงทรงบัญญัติสิกขาบทเช่นนั้นแต่เมื่อการเวลาผ่านไป ไม่มีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติเช่นนั้นก็ทรงอนุโลมให้ถอนสิกขาบทได้นับเป็นพระมหากรุณาคุณที่ทรงเห็นทั้งประโยชน์แก่ประชาชนและแก่พระสงฆ์พระธวัทพูดด้วยความซาบซึง้งในพระปัญญาคุณและพระกรุณาคุณทำไมน้ำตรงนี้จึงเป็นน้ำร้อนคะนางสาวสายใหญ่รักถามบ้าง กล่าวกันว่าน้ำนี้ไหลผ่านโลหะกุมพีนรกมานักวิทยาศาสตร์เคยนำน้ำพุร้อนนี้ไปวิจัยปรากฏว่ามีแร่ปนอยู่ในน้ำถึงสีชนิดคือกรรมถันเหล็กทองแดงและเรเดียมพระเจริญตอบท่านมักุเทศแร่สามอย่างแรกฉันพอรู้จักแต่อย่างที่สีนะ่ะมันเป็นอย่างไรล่ะจ๊ะ แม่ชีป่วนถามอัตมาก็ไม่รู้จักกอกโยมแต่ในพจนานุกรมจบับรัตชบัรดิ ต, ตยสถานปีพุทธศักราช2525ในหน้าที่701อธิบายไว้ว่าธาตุลำดับที่88สั ญ, ญลักษณ์ Ra เป็นธาตุกรรมันตารางังศี ที่มีปรากฏในธรรมชาติเป็นโลหะที่หายากมากหลอมละลายที่700องศาเซนเซียสใช้ประโยชน์ในทางแพทย์สำหรับรักษาโรคมะเร็งภาษาอังกฤษเขียนว่าเลดียมตอบตามที่ท่องมาจากพจนานุ ก, กรมแล้วองศาเซนเซียสคืออะไรล่ะจ๊ะฉันเคยได้ยินแต่องศาเกตเกตอะไรนี่แหละ เวลาที่เข้าพยากรณ์อากาศก็จะบอกว่าจังหวัดนั้นๆความร้อนองศาเกตเกตอะไรทํานองเนี่ยเขาเรียกเซนติเกรดจะโยมเซนเซียสมีความหมายอย่างเดียวกับเซนติเกรดเมื่อก่อนเราเรียกองศาเซนติเกรดแต่เดี๋ยวนี้เป็นองศาเซนเซียสพระเจริญพยายามอธิบายแล้วทาไมเดี๋ยวนี้ถึงเปลี่ยนมาเป็นใช้องศาเซียสละจ้า คราวนี้แม่ชีต่างใจยั่วโทสะพระนมใหญ่พระเจริญไม่พยายามอธิบายอีกต่อไปท่านพูดกับคณะผู้สแสวงบุญรูปอื่นๆว่าอาตมาจะนำท่านเดินไปนาลันธาซึ่งอยู่ห่างจากระชครื11กิโลเมตรกับ500เมตรหรือว่า12กิโลเมตรโดยประมาณ ซึ่งถ้าเป็นบ้านเรารถวิ่งห้านาทีก็ถึงแต่ที่อินเดียอาจาต้องใช้เวลาถึงหนึ่งชั่วโมงเพราะถนนแคบครุกระแล้วก็ต้องคอยเลีกทางกับรถม้าเอยเกวียนเอยฝูงชนเออยหรือถ้าแขกเกิดประท้วงอะไรกันสักอย่างเขาก็จะกั้นถนนไว้ถ้าเจอเหตุการณ์เช่นนี้ก็อาจจะต้องเสียเวลาเป็นชั่วโมงท่านบอกว่า จะเล่าเรื่องที่พระเจ้าพิมพิสารถูกพระเจ้าอาชาติศัตรูจับขังคุกเจ้าของเรื่องทวงถามอาตมาไม่ลืมเอาละ่ะเราจะมุ่งหน้าสู่เมืองนาลันทากันเดี๋ยวนี้ท่านบอกคนขับรถด้วยภาษาฮินดีเขาจึงเคลื่อนรถจากตะโปธารามแต่กว่าจะฝ่าฝูงชนเดินทางมาอาบน้ำนะ้บ่อน้าพุร้อนตะโปได้ ก็ต้องใช้เวลาหลายนาทีทำไมคนอินเดียเขาถึงพากันมาอาบน้ำที่นี่แสดงว่าจะต้องเดินทางมาไกลเพราะไม่เห็นมีบ้านคนอยู่แถวนี้เลยพระเจริญตอบว่าเพราะเขาถือกันว่าน้ำพุร้อนแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์น้ำก็เลยกลายเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยและเมื่อเขาอาบน้ำก็ทำให้โรคภัยไข้เจ็บหายไปก็เลยยิ่งศรัทธามาก ที่จริงการที่ก็าหายจากโรคภัยมีใช่น้ำศักดิ์สิทธิ์อย่างที่เชื่อกันแต่เพราะมีแร่ธาตุปนอยู่ในน้ำต่างหากคนอินเดียก็มีความเชื่อหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องเท พ, พเจ้าอาตมาเคยนั่งแท็กซี่จากนาลันทามาพุทธคยากับอาจารย์ของอาตมาอาจารย์คนนี้เป็นชาวฮินดูไม่ใช่ชาวพุทธแต่สอนคณะพุทธศาสตร์ศึกษาสอนเก่งมาก จำคาพีพระไตรปิฎกและอัตกถาได้แทบจะทุกตัวอักษรอัตมาแอบเรียกว่าตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่แต่เชื่อไมยโยมขนาดเก่งถึงปานนั้นก็ยังไหวลิงพวกลูกศิษย์ที่เป็นขรือหัดก็ต้องไหวาตามเรื่องก็คือว่าพอรถแล่นเลยราชครึมาก็มีลิงตัวหนึ่งนั่งจออยู่ตรงขอบถนน อาจารย์ของอาตมาซึ่งเป็นศาสตราจารย์บอกคนขับรถว่าหยุดหยุดพอรถหยุดก็ลงจากรถไปนั่งยองๆต่อหน้าลิงแล้วก็ไหว้เสร็จแล้วก็เดินมาขึ้นรถลูกศิษย์ที่เป็นครืหั์ก็ทำอย่างเดียวกันอาตมาก็ถามว่าทาไมถึงต้องไหว้ลิงเขาก็ตอบว่าไหว้ความกะตัญยูของเขาเพราะลิงทุกตัวเป็นลูกหลานของหนุมาน ฮานุมานเป็นทหารที่ซื่อสัตย์ของพระรามพระรามก็คือพระนารายณ์ที่อวตารลงมาปราบยุคเข็นในโลกมนุษย์เมื่อเขานับถือพระนารายณ์เขาจึงนับถือหนุมานด้วยเรื่องก็เป็นอย่างนี้แหละโยมขอบคุณค่ะนิมมลเล่าเรื่องพระเจ้าพิมพิสารได้แล้วค่ะ ในเมื่อพระองค์เป็นโสดาบันแล้วทำไมจึงต้องถูกพระอรสฆ่าด้วยล่ะคะอย่าว่าแต่พระโสดาบานเลยถึงจะเป็นพระอาหารหันก็ถูกฆ่าได้เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมใจโยมอัตมาทราบมาว่าหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงท่านสันทัดเรื่องกรรมมากกลับไปเมืองไทยให้โยมไปเข้ากรรมฐานที่วัดท่านแล้วคงจะได้ฟังเรื่องดีๆมากมาย ใช่ไหมครับหลวงพ่อท่านถามสมพานวัดป่ามะม่วงอาตมาจะไม่ตอบเพราะต้องการให้โยมไปพิสูจน์ด้วยตนเองพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอย่าเพ่งปากใจเชื่ออะไรง่ายๆต้องพิสูจน์ก่อนท่านพระครูตอบยิ้มยิ้มพระเจริญจึงสรุปว่าถ้าอย่างนั้นโยมต้องไปพิสูจน์ แล้วจึงเล่าเรื่องพระเจ้าพิมพิสารที่ทำให้คนฟังถึงกับน้ำตาร่วงหากก็มีสามารถทำให้พระฟังถึงกับน้ำตาร่วงตามได้ถ้าพระเจ้าอาชาสัตรูไม่คบคนพาลคือพระเทวทัตเหตุการณ์อนาสลดหดหูใจนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นพระเทวทัตต้องการปกครองสงแทนพระพุทธเจ้าจึงคิดปรงพระชนพระพุทธองค์ หากก็ไม่สามารถทําได้อย่างที่คิดเพราะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสร้างสมบารมีมานับอเนกชาติอนุภาพแห่งพระพุทธบารมีทําให้ไม่มีผู้ใดปรงพระชนพระองค์ได้จะทําได้อย่างมากที่สุดก็ทําโลหิตตุบาตคือยังพระโลหิตให้ฮอขึ้นซึ่งพระเทวทัตได้กระทําแล้วพระเทวทัตได้คิดปรงพระชนพระผู้มีพระภาค และได้ทำการนี้ถึงสมครั้งครั้งที่หนึ่งได้ส่งบรุษฝีมือในการยิงธนูไปเพื่อปลงพระชนบรุษนั้นคลั้นเห็นพระผู้มีพระภาคก็เกิดความกลัวส ะ, สะทกสถานยืนตัวแข็งอยู่เมื่อพระพุทธองค์ทรงเรียกให้เข้าไปใกล้ก็ซบลงที่พระบาทขอรุกแก่โทษพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอนุ ป, ปุพิกถาแก่บรุษนั้น จนเขาได้ดวงตาเห็นธรรมและได้กลับไปแจ้งแก่พระเทวทัตว่าไม่สามารถปรงพระชนพระผู้มีพระภาคได้เพราะพระองค์มีฤทธิ์มีอนุภาพมากพระเทวทัตจึงกล่าวกับบุรุษนั้นว่าท่านจะปรงพระชนพระผู้มีพระภาคเองครั้งที่สองวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจงกรมอยู่ณเขาคิชกู ภิกษุทั้งหลายเมื่อทราบข่าวว่าพระเทวทัตได้ทำการปรองพระชนพระตถาคตจึงได้พากันมายัางที่นั้นเพื่อจะคุ้มครองป้องกันพระองค์พระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับพระอานนท์ให้เรียกภิกษุเหล่านั้นเข้ามาและรับสั่งว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลจะปรงชีวิตตถาคตต้องด้วยความพยายามของผู้อื่นนั้น มิใช่ฐานะมิใช่โอกาสเพราะพระตถาคตทั้งหลายย่อมไม่ปรินิพานด้วยความพยายามของผู้อื่นพระเทวทัตขึ้นสู่ยอดเขาและแอบอยู่ครั้นพวกพิสุไปแล้วจึงกริ้งก้อนหินใหญ่ลงมาหมายจะปรงพระชนพระผู้มีพระภาคเจ้าหินนั้นแตกออกสะเก็ดหินกระเด็นไปต้องพระบาทของพระผู้มีพระภาค ทำพระโลหิตให้ฮอขึ้นพระผู้มีพระภาคทรงแขนพระพักขึ้นไปตรัสกับพระเทวทัตว่าพระเทวทัตสั่งสมบาปเอาไว้มากนักเพราะมีจิตคิดประทุษร้ายมีจิตคิดจกฆ่ายางพระโลหิตของพระองค์ให้ฮอขึ้นนี้เป็นการทำอนันตริยกรรมครั้งที่หนึ่งของพระเทวทัต ครั้งที่สพระเทวทัตสั่งให้ควานช้างปล่อยช้างนาราคิรีซึ่งเป็นสัตว์ดุร้ายฆ่ามนุษย์มามากให้ไปปรุงพระชนพระพุทธเจ้าขณะนั้นเป็นเวลาเช้าพระพุทธองค์เสด็จเข้าไปบิณทบาทในกรุงราชกฤชควานช้างจึงปล่อยช้างนาราคิรีออกไปช้างนั้นก็วิ่งตรงเสียงร้องคำรามไปยังพระตถาคตพระผู้มีพระภาคทรงแผ่เมตตาจิต ไปสู่ช้างนาราคิรีกระสายเมตตาสามารถเปลี่ยนช้างดุร้ายให้กลายเป็นช้างเชื่องได้ช้างได้องวงรูปละอองธุลีประบาทของพระผู้มีพระภาคแล้วก็พ่นลงกระหม่อมของตนจากนั้นจึงย่อตัวถอยออกไปสู่โรงช้างเมื่อไม่สามารถปรงพระชนพระผู้มีพระภาคได้พระเทวทัต ก็ได้ทำสังฆเภทโดยชักชวนพระโกกาลิกาพระกะตะโมรกติสะพระขันทเทวีบุตรและพระและพระสมุทัตะให้ร่วมมือด้วยเป็นอันว่าพระเทวทัตได้ทำอนันตเรียกรรมถึงสองอย่างซึ่งเป็นเหตุให้ท่านถูกธรณีสูกต้องไปเสวยทุกขเวทนาอยู่ในอเวจีนรกตลอดกับ อย่างไม่มีผู้ใดจะช่วยได้ในทางฝ่ายคขฤหัสพระเทวทัตได้ยุยงให้เจ้าชายอาชาศัตรูปลงพระชนพระบิดาคือพระเจ้าพิมพิสารพระเทวทัตได้ทำให้เจ้าชายอาชาศัตรูเลื่อมายด้วยฤทธิ์คือท่านเนรมิตรตนเป็นกุมาร น, น้อย เอางูพันเอวและไปปรากฏตัวบนตักของเจ้าชายอาชาศัตรูทำให้พระองค์ตกพระทยัยครั้นแล้วจึงแสดงตนเป็นพระเทวทัตเจ้าชายอาชาศัตรูเกิดความเลื่อมใสในอิทธิปฏิหารของพระเทวทัตยิ่งนักลาบสการะทั้งหลายจึงลงมาสู่สำนักของพระเทวทัตเมื่อท่านทําให้เจ้าชายอาชาศัตรูเลื่อมใสได้ ต่อมาพระเทวทัตก็ยุยงให้เจ้าชายอาชาศัตรูกระทําปิตุคาตเพื่อจะได้ครองแคว้นมคตแทนพระราชชบิดาในตอนแรกเจ้าชายอาชาศัตรูไม่ทรงเห็นด้วยและทรงให้เหตุผลแก่พระเทวทัตว่าพระองค์จะต้องได้เป็นพระราชาครองแคว้นมคตในวันใดก็วันหนึ่งเพราะพระราชบิดาสวรรคต ราชสมบัติก็ต้องตกแก่พระองค์พระเทวทัตยุแย่ว่าหากรอพระเจ้าพิมพิสานสวรรคตก็คงไม่ทันการเพราะถ้าเกิดพระบิดามีพระชนมายุยืนถึงร้อยปีเจ้าชายอาชาติศัตรูกว่าจะได้ขึ้นครองราชก็จะทรงพระชาาเสก่อนทางที่ดีควรฉ่วยโอกาสที่ยังหนุ่มแน่นกระทำปิตุคาสเซีย พระเทวทัตเป็นผู้มีวาทะศิลป์เจ้าชายอาชาติศัตรูซึ่งเลื่อมใสท่านอยู่แล้วก็ยิ่งเลื่อมใสในวาทะศิลป์ของท่านและได้กระทำตามคำแนะนำของพระอาจารย์ด้วยการสั่งให้ทหารจับพระราชบิดาไปขังคุกให้อดข้าวอดน้ำสิ้นพระชนอยู่ในคุกนั้นพระนางโกสลเทวี ซึ่งเป็นพระราชมารดาของเจ้าชายอชาติศัตรูก็ขออนุญาตพระโอรสเพื่อไปทรงเยี่ยมพระสวามีที่ถูกคุมขังและได้ซ่อนอาหารไว้ในเสื้อผ้าเมื่อไปถึงก็นำอาหารให้พระสวามีเสวยพระเจ้าพิมพิสารก็ทรงมีพระชนอยู่มาได้โดยวิธีนี้เจ้าชายอาชาติศัตรูขันเห็นพระบิดาไม่เสด็จสวรรคตทันทีจึงให้ทหารไปสืบดู ทหารมารายงานว่าพระนางโกสลเทวีทรงนำพระกยหา a ไปถวายจึงมีรับสั่งให้ทหารค้นตามเสื้อผ้าอาภรณ์ของพระราชบรดาเพื่อไม่ให้แอบซุกซ่อนพระกยหา a ไปให้พระราชบิดาพระนางโกสลเทวีก็ทรงหาอุบายใหม่ในการที่จะช่วยพระสวามีให้ทรงพระชนอยู่ พระนางจึงนาอาหารจำพวกแป้งมาทาพระวรกายและเสด็จไปเยี่ยมพระสวามีให้พระสวามีใช้พระชิวหาเหลียตามพระวรกายเพื่อเสวยพระกายฐารที่ติดอยู่ตามพระวรกายของพระนางด้วยวิธีนี้พระเจ้าพิมพิสารทรงมีพระชนอยู่ต่อไปอีกข้างฝ่ายเจ้าชายอาชาศัตรูซึ่ง อยากให้พระราชบิดาสวรรคตเพื่อพระองค์จะได้เป็นราชาแห่งแคว้นมคตแทนรั้นไม่ได้สดับว่าพระราชบิดาสวรรคตก็มีรับสั่งให้ทหารไปสืบสาเหตุเมื่อทหารมาทูลรายงานเรื่องที่พระชมารดาใช้อุบายด้วยการนำอาหารทาพระวรกายไปทรงเยี่ยมจึงรับสั่งห้ามมิให้พระราชมารดา เสด็จไปทรงเยี่ยมพระราชบิดาอีกฝ่ายพระเจ้าพิมพิสารเมื่อไม่ได้สวยพระกยายหารก็ไม่ทรงเดือดร้อนนักเพราะพระองค์ทรงเดินจงกรมปฏิบัติธรรมและทอดพระเนตรพระพุทธองค์เสด็จขึ้นลงเขาคิชฌูทำให้เกิดปิติเบิกบานพระหฤทัยมีพระชนอยู่ได้เจ้าชายอาชาติศัตรู ก็ให้ทหารไปสืบอีกทรงทราบเหตุผลแล้วจึงมีรับสั่งให้กรีดพระบาทพระราชบิดาเสียเพื่อไม่ให้ทรงเดินจงกรมพระเจ้าพิมพิสารเมื่อถูกกรีดพระบาทไม่สามารถยืนและเดินจงกรมได้ก็เสด็จสวรรคตในเวลาไม่นานนักวันที่พระองค์สวรรคต เป็นวันที่พระมเหสีของเจ้าชายอาชาติสัตรูประสูตรพระโอรสเจ้าชายอาชาติสัตรูทรงเสนหาในพระโอรสยิ่งนักทรงคิดว่าวันที่พระองค์ประสูติพระราชบิดาก็คงสนิทเสนหาพระองค์เช่นกันจึงทูลถามพระราชมารดาว่าวันที่หม่อมชันประสูติพระราชบิดาทรงเสนหาหม่อมชันเหมือนที่หม่อมชันเสนหาพระโอรสหรือไม่ เมื่อพระชมันดาทรงตอบว่าเหมือนกันจึงสั่งทหารให้ไปนำราชบิดาออกมาจากที่คุมขังหากก็สายไปเสียแล้วเพราะพราชบิดาได้สวรรคตในเวลาที่พระโอรสของพระองค์ประสูตินั่นเองเจ้าชายอาชาศัตรูซึ่งต่อมาได้ขึ้นครองราชเป็นราชาแห่งแคว้นมคต รู้สึกเสียพระทัยมากใะเหตุการณ์ที่พระองค์ทรงกระทำปิตุคาสนี้เองพระโอรสของพระองค์คือพระเจ้าอภัยพัฒก็กระทำปิตุคาสพระเจ้าอภัยพัฒถูกพระโอรสคือพระอนุรุทธะกระทำปิตุคาสพระเจ้ามุนทกะซึ่งเป็นพระโอรสของพระเจ้าอนุรุทธะก็กระทำปิตุคาส พระเจ้านาคธาสกะซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้ามุนทกะและเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ของพระเจ้าพิมพิสารก็กระทาปิดตุฆ่เป็นอันว่าลูกข้าพ่อต่อต่อกันมาถึงสีชั่วคนจนประชาชนพากันเบื่อนายจึงพร้อมใจกันปรงพระชนพระเจ้านาคธาสกะ แล้วให้เสนาบดีชื่อสุสูนาคะเป็นพระราชาแทนพระเจริญเล่าเรื่องพระเจ้าพิมพิสารจบลงรถก็ถึงนาลันทาพอดี